วันนี้สํานวนจิตใจดีนะวันนี้ก็เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่สองนะเป็นสถานที่ที่สําคัญมากเพราะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าแสดงพระปฐมมทิสนาแล้วก็ผู้ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรม บัลลุเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันบุคคลเป็นองค์แรกเรียกว่ามีพระอริยสง์เกิดขึ้นเรียกว่าสาวะกะสังโฆ ค, คือสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งจิตเปลี่ยนจากภูมิแห่งปุถุชนเข้าสู่ภูมิของพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นเรามาวันนี้ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญเพราะว่ากระตุ้นเตือนให้เรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าต่อจิตใจจริงแค่เราได้มากรบบาบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าท่านก็พยกรณ์กรเอาไว้แล้วว่าผู้ที่ได้มาอย่างสังเวชนิยสถานเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่ประสูที่ตัสรู้ที่แสดงปทโสมมัเทศนาที่ดับขันทัพปรินิพานก็ตามมันจะกระตุ้นจิตของเราเตือนจิตใจของเราให้นึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสังเวชนิยสถานเป็นสถานที่ทำให้เกิดความสังเวชสังเวชในที่นี้ก็คือกระตุน้นเตือน ความรู้สึกของเราให้ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมามันจะยังจิตยังใจของเราให้มีปีติปลาโมดลื่นเลิศบันเทิงและก็มีความอัศจรรย์ขึ้นในจิตในใจมันเป็นเหตุทำให้ไปสู่สวรรค์ได้ พระพุทธเจ้าจริงบอกว่าใครมาอย่างสถานที่แห่งนี้มันกระตุ้นให้จิตใจชุ่มยเย็นเบิกบานอิ่มเอิมีความสงบมีปีติปลาโมดลื่นเรลงบันเทิงเวลาใกล้จะตายไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอนุภาพมากมันก็ยังจิตยังใจของเราเนี่ยให้ลื่นเรลงบันเทิงให้จิตใจเป็นจิตใจที่ดีมันมีปีติมีปลาโมดมันมีความยิ่งใหญ่มันก็นําพาให้จิตของเราเนี่ย มันเป็นจิตใจที่ดีงามได้แค่นี้ก็สามารถนาพาเราไปสู่สวรรค์ได้แต่ทีนี้การที่เรามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อจิตใจของเราเนี่ยมันจะได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเข้าใจทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้จิตของเรามันรู้ว่า ทางเดินของชีวิตของเราเนี่ยจากนี้ไปจากนี้ไปชาตินี้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราก็มีโอกาสได้มายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้มาทำให้คุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเรียว่าตับสรู้ได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละเราไปยังต้นสีมหาโพนแต่วันนี้เราตามมาถึงสถานที่ที่พระองค์ ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเลยตัดสู้แล้วคราวนี้ก็จะประกาศธรรมและนึกถึงผู้ที่จะรับเอาธรรมะของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติพระองค์กระลึกถึงปัญจวคียขึ้นมาก็เสด็จมาที่นี่เพราะปัญจวคีมาปฏิบัติอยู่ที่นี่สมัยนั้นยังเป็นป่าอยู่นะเขาเรียกวป่าอิจิตปัตนะมลลึกขันยวันเรียกว่าเป็นที่อยู่ของไอ้พวกเนื้อเป็นที่ที่พระราชาเข้า เอาอาหารมาให้แกพวกเนื้อทั้งหลายแล้วสถานที่นี้ก็เป็นที่เหมาะสมกับปฏิบัติธรรมเพราะว่าพวกเราลือีทั้งหลายสมัยนั้นจะหอมานะเขาหอมาแล้วก็มาลงที่นี่เขาจึงเรียกว่าอิสิปัตตะมลึกคายวันแปลว่าเป็นป่าที่พวกพระลือีพากันมาตกลงที่นี่ความหมายคำแปลพระเจ้าเสด็จมาแล้วก็มาแสดงธรรม แต่ว่าผู้ที่รับฟังธรรมะของพุทเจ้าครั้งแรกคือปัญจวคีปัญจวคีนี่เป็นผู้ที่มีมีสมาธิกันอยู่แล้วนะเป็นลือสีที่เขาฝึกฝนอบรมด้านสมถะกันอยู่แล้วคือความสงบเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้านี่จึงพูดถึงอริยมรรคได้เลยอะ่ะพูดถึงเส้นทางเดินของจิตได้เลยพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาในจิตได้เลยแต่ทีนี้สําหรับเราเนี่ยสำหรับเราเราต้องน้อมจิตเรา เอาจิตเราเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่างน้อยก็เข้ามาฟังธรรมะเข้ามาฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเข้ามาฟังเหตุการณ์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นก็คงจะเป็นป่าเงียบสงบเพราะว่ามันเป็นป่ามันเป็นที่อยู่ของพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายและก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมงคลมากเพราะว่าพระฤาษีทั้งหลาย เขาก็มาปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วในป่านี้รวมทั้งปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาอย่างสถานที่แห่งนี้เมื่อใดเวลาอันเหมาะสมพระองค์ก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังปัญจวัคคีย์ก็ฟังด้วยจิตใจนี่สำรวมจิตใจมุ่งตรงต่อธรรมะนั่นคือจิตต้องสงบจิตต้องอยู่กับตัวเอง เพราะหน้าที่ของเราก็คือสํารวจดูว่าตอนนี้จิตของเราอยู่กับตัวเองไหมจิตของเราอยู่ไหมถ้ามันอยู่นี่แหละก็เรียกว่าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วการบูชาคุณที่สูงที่สุดเลยไม่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าก็ตามคุณบิดามารดาก็ตามคุณของผู้มีคุณทั้งหลายก็คือการทําจิตเราให้สงบนี่แหละ หรือทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นการบูชาที่เหนือการบูชาทั้งหมดเลยเป็นการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราสํารวมจิตใจเข้ามาอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะว่าถ้าจิตของเรามันเข้ามาอยู่ภายในได้เนี่ยมันมาสงบเย็นอยู่ข้างในจิตไม่สัดสายออกไปเนี่ยเราก็จะพบความสุขพบความสงบลมเย็นแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจด้วยมันจะเปรียบเทียบได้กับการที่จิตของเรามันไหลออกไปถ้าจิตเราไหลออกไปเนี่ยมันเหมือนกับมันเหนื่อยแล้วก็ไปไขว่คว้าไปสแสวงหามันเหมือนกับไปวุ่นวายอะ่ะ เหมือก็จะไปยุ่งแต่กับเรื่องข้างนอกหมดเลยแต่การที่เราเอาจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามามันเหมือนจิตของเราเนี่ยมันถอนถอนความยึดความติดความค้องจากอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับจิตเราหดกลับมากลับมาอยู่กับตัวเราเมื่อจิตเรามันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยมันสบายกว่ากัน มันก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าอ๋อเวลาที่จิตเรามันไหลออกไปเนี่ยมันช่างเหนื่อยเน็ตเหนื่อยมันช่างเป็นสิ่งที่มันไร้สาระเสียจริงๆเหมือนวุ่นวายมันสับสนมันวกนวนมันสัดสายมันไม่สงบมันไม่ระงับมันเหมือนเราอยู่ดีๆเราหาแต่เรื่องเอาแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมากุมลุมจิตมาทับถมจิต จิตของเราก็เลยเพลินไปไหลไปเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้พอจิตเรารู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยในจิตเนี่ยมันก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะสัญญาก็อยู่ในจิตอ่ะมันก็จะจําได้เห็นปับ๊บสัวเห็นผลไม้หรือเห็นคนอย่างเงี้ยมันก็จะดูปับ๊บว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรสัญญามันจำได้นี่เป็นผลไม้ชนิดีทนี้ แล้วมันก็จะมีปฏิญาต่อไปเออมันน่ารับประทานไม่น่ารับประทานไอ้สัญญาที่เราจําได้รสชาติมันเป็นอย่างนั้นรสชาติเป็นอย่างเงี้ยนี่มันซับซ้อนอยู่ในจิตเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจึงเยอะมากในจิตของเราแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเรามีสติรักษาจิตเราได้ควบคุมจิตเราได้จิตเราก็สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้เห็นก็รู้ว่าเห็นมันปรุงอะไรก็รู้ว่ามันปรุงเราตามจิตเราทันอย่างเงี้ยมันสงบ มันสบายกว่ากันพราถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยสัญญามันตึบขึ้นมาแล้วมันก็จะปูนึกไปเรื่อยปุงแต่งแล้วก็บางเรื่องมันทําให้เกิดความอยากความต้องการเกิดความดิ้นรนขึ้นในจิตแล้วมันก็มีผลต่อร่างกายเราด้วยบางทีร่างกายเรามันก็ต้องรุ่มร้อนขึ้นมาเกิดความปรารถนาแรงกล้าขึ้นมาความอยากความต้องการแรงกล้าขึ้นมาเหลาร้อนทางกายเหลาร้อนทางจิตใจ มันก็มาจากนี่แหละสติของเรามันควบคุมจิตไม่ทันเรารู้ไม่เท่าทันจิตใจของเราเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตนี่มันรู้อารมณ์พอมันรู้อารมณ์แล้วก็มันก็จะมีสัญญามีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตนี่มันจึงนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้แล้วมันก็นํามาสู่ความสุขความทุกข์ในจิตเราคือเวทนาทั้งหลายหรือแม้กระทั่งมันมันอยู่เฉยๆแต่มันก็วนเวียนวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านั้น โดยที่มันไม่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นจิตของเรามันก็เลยไม่อยู่เป็นอิสระมันเหมือนมันถูกอารมณ์ทั้งหลายนี่ครอบงําอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ความลับเหล่านี้ท่านรู้ความจริงเหล่านี้ท่านจึงสอนสาวกของพระองค์ให้รู้วิธีพระองค์จึงสอนให้มีสติคือคําสอนของพระพเจ้ามันสอนลงที่จิตเลยต้องเข้ามาหาจิต จะสอนให้ทําความดีก็เพื่อให้จิตเรามันดีขึ้นมามดีขึ้นมามีสติรักษาจิตได้ง่ายจิตเป็นสมาธิมันก็มีความสุขความสงบขึ้นมายิ่งทํามันรู้ความจริงมันปล่อยวางได้จิตของเรายิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆเบาโโลกเบาสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตนี้นอกจากมันจะรู้อารมณ์แล้วความซับซ้อนของจิตมันก็มีรู้อารมณ์ปฏิยาของมันมีมันก็จะปรุงแต่งอารมณ์ แล้วก็น้อมไปสู่อารมณ์อยู่เรื่อยมันไม่อยู่เฉยๆจิตเราวันาะในจิตของเรามันจึงมีเรื่องเราเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นอยู่ของเราเนี่ยถูกต้องคือมีหลักในการดําเนินชีวิตมีเป้าหมายของชีวิตที่ถูกตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชีวิตของเรามันก็จะน้อมไปในทางสงบเยือกเย็นการเดินทางของชีวิตเหมือนกับมันมีแก่นสารมันมีสาระขึ้นมาคือการเดินทางของชีวิตเนี่ยถ้าเราเดินทางไปเพื่อที่จะหวังแต่พวกวัตถุภายนอกโดยที่เราไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจว่าเออที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ย เราต้องมีชีวิตยอยู่เมื่อเราจะมีชีวิตยอยู่เราก็ต้องมีการมีงานมีเงินมีพองข้าวของเครื่ <c oughs> องใช้ไม้สอยเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้และก็อยู่อย่างสุขสบายได้ยิ่งดีอันนี้ไม่เสียหายเลยนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าใครมีช่องทางที่จะทำมาหากินสามารถแสวงหาได้มากโดยที่ตัวเองไม่ทุกข์มากอะ่ะมันเป็นไปตาม ความเหมาะสมเหมาะควรแก่ชีวิตของตัวเองมันก็ไม่เป็นไรนี่นั่นคือบุญของคนนั้นเขาเยอะเขาทําบุญมามากคนทําอะไรมันก็จะมีช่องมีทางมันก็ทําให้สะดวกสบายราบลื่นผลตอบแทนออกมาก็ทําให้มีเงินทองข้าว ข, ของเครื่องใช้ไม้ส้อยอุดมสมบูรณ์ที่เหลือ ก, ก็ทําบุญสุนทานก็มีโอกาสทําบุญสุนทานได้มากขึ้น เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ทําได้แต่ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยคือไม่ไปยึดไปติดไปข้องจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนในเมื่อเรามายัางที่นี่แล้วเราเข้าใจแล้วว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ประมวลเข้ามาให้รู้จักวิธีรักษาจิตใจเน้นที่จิตใจสําคัญที่สุด คำสอนทั้งหมดก็รวมลงที่จิตนี้ก็คือมีสติรักษาจิตไม่ว่าพระองค์จะสอนอะไรก็ตามเป้าหมายก็คือว่าให้จิตนี่แหละมันสบายจิตมีความถูกสบายมีความสงบร่มเย็นสติรักษาจิตใ จ, ใจเราได้เมื่อรักษาจิตได้จิตก็เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติมานานหรือไม่นานชนานาญหรือไม่ชนานาญปฏิบตัติต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีสมาธิของมันอยู่หมายว่าสตินี้รักษาจิตได้ตลอดเวลาเลยมันออกไปก็รู้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมากลับมาก็ได้มันไปแล้วเดี๋ยวรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็กลับมาได้เพราะเราฝึกจนชมิชํานาญแล้วเราต้องการให้อยู่เมื่อไหร่ก็อยู่ได้ถ้าไปทํานู่นทํานี่มันก็เผลอไปบ้างอะไรไปบ้างเมื่อเราต้องการเราก็เข้ามาอยู่กับตัวเองได้เข้ามาทําสมาธิได้อันนี้เรียก ว, ว่าเราทําบ่อย ทำจนสตินี่มันรักษาจิตรักษาใจได้เองโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยสัมล้มอ่ะเราปล่อยอย่างเงี้ยจิตเราก็หลุดออกไปได้เพ้อไปง่ายเท่าที่สังเกตดูก็ดีขึ้นนะเวลาไปไหนมาไหนก็ดูสัมล้มระวงังละเพราะว่าทุกคนก็มีเห็นความสําคัญของการมาอย่างสังเวชนียสถานเนี่ยเพราะเราก็เสียสละกันมาทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็มีบุญเก่ามากันทั้งนั้นด้วย มีบุญมีบาร ม, มีมีความพร้อมทุกอย่างเราจึงมาได้เมื่อมาแล้วเราก็เห็นคุณค่าของการมาเพราะการที่เราจะมาอย่างนี้เราก็ต้องได้เสียสละอย่างมากเลยนะเสียสละเงินทองเสียสละเวลาเวลาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเราก็ยอมเดินทางไกลขนาดไหนเราก็อดทนพยายามก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า นั่นก็คือเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นเมื่อสติเราดีขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าจิตเราดีขึ้นเมื่อจิตดีขึ้นความสุขความสงบความร่มเย็นภายในจิตใจก็เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นคุณค่าว่าโอ้ชีวิตจริงๆมันต้องการความสุขแต่การที่มันจะไปยึดไปติดไปค้องสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแล้วคิดว่าอันนั้นเป็นความสุขอะมันกลับกลายเป็นความทุกข์ไปแล้ว ทีนี้เราก็เลยเอาจิตเข้ามาทําตามพระพุทธเจ้าสอนจากนั้นก็ต้องเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็ต้องฝึกสมาธิต่อไปอีกจนตั้งมั่นขึ้นมาจนมั่นคงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้ามาสอนมาแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยพระองค์จึงสอนปัญจวัคคีย์ว่าไม่ให้ติดอยู่ในกามาสุขคือทางที่มันจะเปิดเพลินจนยึดติดข้องจนเกินไปเนี่ยเป็นทางที่มันเป็นโทษไม่มีประโยชน์ มันไม่ช่ทางของพระริยเจ้าพระเจ้าก็สอ น, นให้เห็นว่ามันมีนมโทษในพวกกรมมาสุขกรมสุขันลิกานุโยกการอีกทางหนึ่งทรมานตนในสมัยนั้นเขามีการเนี่ยทรมานตนกันมากปัญจวคีก็เชื่อมั่นในทางนี้เหมือนกันว่าออจะต้องผู้ที่จะบรรลุธรรมะขั้นหลุดพ้นสามารถทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องทรมานตน แม้ผู้ที่เจ้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่หลังจากที่ผู้เจ้าทรงบำเพ็ญทุกกะกริยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางแน่นอนแล้วพระองค์ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างช่องทางไหนที่ทรณีมนตนสุดขีดพระองค์ทำหมดจนพระองค์นเนี่ยสามารถพูดกับตัวเองได้เลยว่าถ้าทางนี้สามารถบรรลุทําได้พระองค์ต้องบรรลุแล้วแน่นอนจะหาคนที่เพียรได้เท่ากับพระองค์นี้ไม่มี นี่ทำให้เห็นถึงพระไทยอันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของพระพุทธเจ้านะทำให้เห็นความเพียรพยายามอดทนที่จะให้ตัดสรุรรมเพื่อที่จะนำธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมาประทานเอาไว้ให้สาวกของหลวงหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจึงออกมาจากความเข้มแข็งมาจากความเพียรพยายามความอดทนความมุ่งมั่นบากบั่นของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลยมันเหมือนได้มาจาก บุคคลผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้เพื่อให้รู้ความจริงตรงนี้เมื่อรู้แล้วก็ตั้งใจแล้วว่าจะต้องหยิบยืน่นต้องประธานเอาให้สาวกให้ได้แล้วพวกเรานี่ก็ได้รับมรดกเหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยสละแม้กระทั่งชีวิตเหมือนพระองค์หรอกไม่ต้องไปทุกทรมานถึงขนาดพระองค์ แต่บางทีเรานั่งแล้วมันเจ็บมันปวดเนี่ยเล็กๆน้อยๆเราก็จะแย่อยู่แล้วงูดหงีดขึ้นมาแล้วหรือว่าจิตมันก็สัดสายแล้วจิตมันก็อยากเลิกแล้วอยากขยับอยากหนีอยากได้ง่ายๆอะ่ะแต่เวลาพูทธเจ้าปฏิบัติมานี่ทุ่มเทเลยสละชีวิตเลยทนเลยยอมตายเลยอดอาหารก็เอากั่นลมหายใจก็เอาเดี๋ยวว่าเอาทุกอย่างละทรมานทุกอย่างจนแน่ใจเลยว่ามันใช่ทางเลย หรือว่าวันสุดท้ายที่บงจะตัดสรุ้ก็เหมือนกันนั่งตับลงใบอธิษฐานจิตเลยแม้เลื้อเนื้อจะเหือดแห้งเหดือดแต่นั่งเอ็นหุ้มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกําลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบรรเหล่านี่คือความเด็ดขาดสลาชีวิตเลยเพราะฉนั้นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจึงเป็นของที่มีค่ามากเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์แลกเอาธรรมะอันนี้ จนจิตใจมันอาถรรพมันเข้มแข็งเต็มที่มันไม่มีอะไรยับยั้งได้คือจิตเนี่ยมันมันเข้มแข็งของมันเองมันจึงมีพลังมากมันจึงมีความมุ่งมั่นบากบันเต็มที่จนไม่มีอะไรขัดขวางธรรมะของพระพุทธเจ้าได้จิตมันจึงสว่างสวมันจึงเกิดญาณรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหมดขึ้นมาได้เพราะว่ามันเต็มที่ของมัน เพราะนั้นเมื่อเรามาที่นี่เราก็เป็นผู้ที่มารับฟังธรรมะของพระเจ้าอีกทีหนึงต่อเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้ให้ในเมื่อพระเจ้าบอกแล้วว่าทางที่มันไปหลงกรามมาสุกมากอะ่ะมันมันเป็นทุกข์แล้วก็ไปทรมานตนหรือว่าจะไปบังคับให้ได้ตามความอยากความต้องการของตัวเองมากๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันต้องวางจิตให้เป็นกลางเอาไว้เป็นกลางง เพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ้าสอนจริงว่าให้มีความเพียรมีสติสัมปัดชัญญะละความยินดียินไล่ในโลกนี้เสียให้ได้ก็คือไม่ให้จิตใจเราไปยินดียินไล่กับอะไรเป็นกลางหรือเราปฏิบัติรำก็ะเมินกันได้มากได้น้อยไม่เป็นไรสงบไม่สง บ, ไ ม, สงบไม่เป็นไรเลยไว้ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพอละวางใจถูกเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็สงบเองโดยธรรมชาติของมันมันสงบเองเลยนะ ไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากสงบไม่ต้องไปบังคับให้มันสงบไม่ต้องไปเปรียบเทียบก <of> <when> like ับคนนั้นคนนี้เขาคงสงบอย่างนั้นอย่างนี้เขาคงได้ทําคันนั้นคันนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้มันไปขวางกันละสบายสบายทำเหมือนไม่เอาอะไรเลยมันสงบเองอยู่แล้วสงบเองอยู่แล้วมันเป็นเองอยู่แล้ววางเฉยมันเป็นเองมันเป็นเองอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้มันสงบอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน เพราะนั้นบางทีพระเจ้าก็สอนสาวกของหลวงดุก่อนพิกษุทั้งหลายจิตทุกคนนี่ประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสอยู่แล้วผ่องใสบริสุทธิ์อยู่แล้ ว, งลวสงบเยือกเย็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเอาเรื่องอะไรเข้ามาแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลศหรือคือกิเลสนั่นแหละมันเป็นอาคัรตุกจรเข้ามา เวลามันจรเข้ามามันก็เป็นอารมณ์อารมณ์จอนเข้ามาเราสังเกตได้เลยเวลามันจะไม่สบายใจเนี่ยมันจะเอาอารมณ์มาอารมณ์เหล่านั้นมันเพิ่งเกิดมันปุ๊บเข้ามาแล้วมันก็จะกุ้มลุมจิตมันจะทําให้จิตเราเศร้าหมองทําให้จิตเราขุ่นมัวทําให้จิตเรารุ่มร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าก็พยายามมีสติไว้หาคันตุกกะแขกแขกจรนเข้ามา เนี่ยมันจอนเข้ามาเฉยๆเป็นแขกจอนเข้ามามันเป็นอาคัรุกะมันเป็นแขกมันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเราก็อย่าไปรับแขกอย่าไปหลงเอาว่าแขกเป็นเราพอเราไม่ต้อนรับแขกเราก็ระวังอย่างเดียวไม่เอาแขกไม่รับแขกแขกจะโผล่มาหนอนมาแล้วมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นมันเห็นมันมันจะดับของมันเองอ่ะเหมือนสมมุติว่าผู้ร้ายอย่างเงี้ยหรือโจรขโมยมันจะมาขโมยของในบ้านเรา ทีนี้เราเป็นคนที่เอาใจใส่ตรวจสอบมองดูรอบๆมองไปท่าสมมว่าพวกขโมยหรือพวกโจรเห็นว่าเรารู้เราเห็นหน้าเขาเรารู้ว่าเขาเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็จะหนีทันทีเลยอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันอ่ะถ้าเราแยกได้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นอาคมสุกอะอันนี้เป็นแขกอันนี้เป็นอารมณ์ข้างนอกไม่ใช่กิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะดับเพราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายขึ้น เพราะว่าพระพุทธเจ้ารับรองแล้วจิตทุกคนจิตทุกดวงดูก่อพภิกษุทั้งหลายจิตของทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วท่องใสอยู่แล้วสงบเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่จิตนี้เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคารตุกข์เป็นแขกจอนเข้ามาเพรา ะ, ะนั้นเราไม่รับแขกวันนี้แล้วก็ปรับจิตของเราสบายๆเลย พอไม่รับแขกไม่เอาลมอะไรมากุ้มลุมจิตใจจิตของเราก็สงบอยู่แล้วสงบอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วมันพ่องใสยอยู่แล้วมันเยือกเย็นอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแค่ไม่รับแขกไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไม่เอาทั้งนั้นน่ะเพราะมันเป็นแขก มันเป็นธรรมชาติที่สงบอยู่แล้วนี่ผู้เจ้าก็รับรองเนี่ยสงบอยู่แล้วผองไสอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วยือกเย็นอยู่แล้วอย่าไปเอาแขกเข้ามาอย่าไปหลงแขกอย่าไปยึดแขกอย่าไปต้อนรับแขกระวังไม่ให้แขกเข้ามามันเป็นแค่แขกเป็นแค่แขกไม่ใช่เราถ้าจิตของเรามันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้เป็นธรรมชาติของมันที่มันผองใสอยู่แล้ว นี่เราก็สามารถตรวจสอบได้เลยไอ้แขกตัวไหนที่มันเข้ามาบ่อยๆอะ่ะที่เราเคยหลงมันอะ่ะเคยหลงอารมณ์เคยหลงแขกเคยหลงว่ามันเป็นเราเนี่ยเราจะเห็นขึ้นมาในจิตเลยเนี่ยโอ้มันเป็นแขกเหรอมันเป็นอารมณ์เหรอเป็นอุปกิเลนเหรอเป็นเรื่องความอยากเหรอเป็นมานณะเหรอเป็นทิฏฐิเหรอเป็นสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเราเฉยๆเหรอ อ๋อพวกนี้มันเกิดดับนี่นาตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่เนี่ยเราเลิกขึ้นมาก็ได้ด้วยพอเราปรับได้เราเชื่อตามพุทธเจ้าเนี่ยดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วระวังแขกระวังแขกถ้าใครเคยมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอ๋อมันเป็นแขกทิ้งเลยทิ้งเลยอันนั้นก็แขกเห็นหน้าตาแขกขึ้นมาที่นี้ แต่ก่อนหลงกอดแขกอ่ะพเนาพนอแขกโอ้ยเป็นเราเราก็เจ็บปวดเราก็ทุกข์เราก็ทรมานเพราะอะไรพวกไปหลงแขกไปยึดแขกว่าเป็นเราเป็นเจ้าของบ้านขึ้นมาอย่างเ่นว่าเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราไปข้างนอกก็มีแขกตามมาที่นี่ตามมาตามมาเราก็หลงว่าแขกเป็นพวกเราเป็นเราอ่ะเป็นเจ้าของบ้านด้วยกันอ่ะ ก็มาก็ดูแลเอาใจใส่หาข้าวหาน้าอะไรหาที่หลับที่นอนให้แขกก็ไม่ไปสิมันสบายแล้วอ่ะเราไปต้อนรับแขกไปยึดแขกไปหลงแขกแต่คราวนี้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแขกมันเป็นพาร้านินะแล้วแขกนี่แทนที่มันจะมาทําประโยชน์ให้กัเราไม่ใช่อ่ะอมาทําให้เราเดือดร้อนอีกอ่ะแล้วเราจะมาทุกทรมานอยู่กับแขกทําไมอ่ะสลัดทิ้งไปแค่ไม่รับแขกแค่ไม่หลงแขกมันก็ดับของมันเองมันก็ไปของมันเองอยู่แล้ว นี่มันทางออกมันก็มีนี่อย่างนี้มันง่ายนะเนี่ยเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้แขกก็คือมันมาในรูปต่างๆนั่นแหละก็คือมันก็เข้าสู่ธรรมอันเดียวกันนั่นแหละไม่หลงกรมาสุขเนี่ยมันก็มาในรูปแขกเหมือนกันน่ะเหมือนมันหลอกเราว่าเอ้ยทําอย่างงั้นจะมีความสุขอย่างนี้มีความสุขมันก็เป็นแขกอีกชนิดหนึ่งทําอย่างนั้นสิทุกข์หายไปแล้วก็บางที รับแขกแล้วก็อยากให้เขาอยู่ตลอดไปด้วยนะอยากให้เที่ยงไงอยากให้เที่ยงนี่คืออยากให้อยู่ตลอดไปนี่แหละแขกมันไม่ดับความทุกข์ปัญหามันไม่ดับไปยากีจเราเพราะเราไปยึดถ้ามันรู้สึกว่ามันดีสำหรับเราเราพอใจอย่างนี้ก็อยากให้มันเที่ยงอยากให้อยู่กับเราตลอดไปลุ่มหลงกับมันเนี่ยพเนาพนอมันเนี่ยถ้ามันไม่สบายใจมันเป็นทุกข์บ้างก็อยากให้มันศู์ไปเลย พวกแขกก็อยู่ส่วนแขกเขาจะไปเข้ามาเรื่องของเขาแค่เราไม่ไปหลงเขาอ่ะมีธุระประปังมีเหตุผลเขาก็มาเกี่ยวข้องกับเราก็ได้เกี่ยวข้องแล้วก็จากไปเราก็มีสติรักษาจิตเราเอาไว้ไม่หลงแขกว่าเป็นเราเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ก็รัดสั้นเข้ามาหาจิตเพนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยทําสบายๆเลยเอาตามที่พุทธเจ้าสอนเลย จิตของดูกรภิกษุทั้งหลายจิตของทุกคนประพัดส้อนอยู่แล้วห่องใสอยู่แล้วมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วที่มันเศร้าหมองที่มันเป็นทุกข์ที่มันเดือดร้อนก็เพราะว่าอุปกิเลตซึ่งเป็นอาคารตุกะจรเข้ามาก็คือแขกนั่นเองอะ่ะทำให้จิตเราเศร้าหมองทําให้เราเป็นทุกข์ทาให้เราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็วางจิตสบายสบาย สบายๆยืนยันอย่างเดียวประพัดสอนอยู่แล้วผ่องสายอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วสบายอยู่แล้วขออย่างเดียวไม่รับแขกไม่รับแขกมันเป็นธรรมชาติของมันสงบเยือกเย็นอยู่แล้วประพัดสอนอยู่แล้วผ่องสายอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วขออย่างเดียวไม่รับแขกไม่เป็นหลงแขกมาเป็นเรา ง่ายๆง่ายๆวางสบายสบายเลยตัวจิตเองนี่แหละมันพัพสสอนอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันโปร่งใสยอยู่แล้ว ม, มันสะอาดอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้ววางใจสบายสบา ย, บายเลยอ่ะนี่แหละเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่เป็นการบูชาคุณอย่างแท้จริงเลย เพราะอะไรพระผู้เจ้านี่จิตของพระองค์สงบเยือกเย็นเพวัะนั้นเราจะบูชาคุณพระเจ้าเราก็ต้องทําจิตเราให้สงบเยือกเย็นยิ่งสงบได้มากเท่าไหร่คุณค่าก็มากเท่านั้นมันก็จะมีคุณมากเท่านั้นแล้วก็อันนี้แหละคือคุณของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอะ่ะเพราะเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณสมบัติภายในจิตของพระเจ้ามันก็มาเกิดขึ้นในจิตของเราเอง คือความสงบความเยือกเย็นความสุขความสบายแต่จริงๆมันก็มีอยู่แล้วในจิตของเรานี่เองมันเป็นอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันเยือกเย็นอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันก็ดีมันได้เห็นปฏิญาของจิตเราอะ่นะเพราะว่าเราอยู่ในโลกอะ่ะมีหูก็ได้ยินแต่ว่าเรารู้วิธีแล้วที่นี่มันก็จะมีอะไรเข้ามาให้ทดสอบนะเหมือนกับว่าเออ เราอยู่ในตรงนี้มีเสียงเกิดขึ้นเราก็ต้องได้ยินเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไอไอการได้ยินนี่มันเป็นธรรมดาสักแต่ว่าได้ยินมันก็สบายๆเฉยๆอ่ะไอได้ยินเนี่ยมันต้องรู้สิว่ามีจังหวะจากโคนยังไงมันเป็นยังไงเราก็ได้ยินเราก็รับรู้ได้มันก็ไม่เป็นไรอย่างนงี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเพราะมีจิตจิตรู้อารมณ์ได้มันมีปฏิยามันก็ฟังว่ามันเป็นยังไง มันไม่เสียหายอย่างนี้ปฏิยาของจิตมันมีแล้วก็รักษาจิตเราให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยิน้ยนายกับอะไรอันนี้เป็นมีสติทำให้จิตตื่นจิตตื่นสมาธิทำให้มีความแน่วแน่มีความชัดเจนเห็นจิตตัวเองชัดเจนเห็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบชัดเจนแล้วก็เห็นจิตของเรายิ่งถ้าหาว่าเราไปเพ่งความเกิดดับ สังเกตดูว่าเออเสียงนี่มันก็เกิดดับมันมีจังหวะของมันอยู่ดังบ้างดับเป็นระยะดังแล้วก็ดับดังแล้วก็ดับมันจะมีจังหวะของมันมีแม้แต่เสียงก็เกิดดับที่เราฟังมันต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะว่าเขาก็ร้องไปสวดไปแต่ว่าจังหวะของมันน่ะมีจังหวะมันจะเป็นจังหวะของความเกิดดับแม้จิตของเราที่ไปรู้ มันก็รู้รู้แล้วกระดับเหมือนกันรู้แล้วกระดับเหมือนกันแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่ทันตรงนี้สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าสติเรารักษาจิตได้มันจะเป็นทรหมดเลย <S <S ก็คืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้อย่างเดียวเลยแล้วก็ระวังจิตของเรามันผ่องใสอยู่แล้วไม่ต้องไปทาอะไรอ่ะผองใสอยู่แล้วผ่องใสอยู่แล้วมันได้ยินก็ได้ยินไปจิตเราก็ผองไสอยู่แล้วสงบอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้ว มันก็รู้อารมณ์ไปตามธรรมชาติเฉยๆมันก็เห็นธรรมชาติของชีวิตว่าโอ้เรายังอยู่ในโลกมันก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นเรามีหูก็ต้องได้ยินไปอย่างนี้แหละแต่ตรงจิตของเรานี่สิจิตของเรายินดียินร้ายมีไหมนัดเราทำตามพูทิย่าสอนได้ไหมว่ามันสบายอยู่แล้วมันสะอาดอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันไม่ต้องไปทาอะไรมันอะ่ะทาเฉยๆทำสาสบาย จิตของเราก็ไม่ได้ไปลุ่มหลงอะไรไม่ได้ไปยึดอะไรไม่ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรเดียวว่าทำให้มันง่ายๆทำให้มันสบายๆเลยแล้วการที่จิตของเรามันมีสติแล้วก็จิตของเรามันสบายๆเนี่ยถ้เทียบกับอริยมรรคอะอริยมรรคของบูตเจ้าเพราะว่าพระองค์บอกว่าทางสายกลางเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8แล้วมันเทียบกันได้ยังไงอะสมาธิ นี่เห็นความเกิดดับในจิตเรานี่แหละคือจิตเราไม่ยึดอะไรไม่ติดข้องอะไรเพราะมันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เกิดไปตามธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติจิตเราไม่ยึดไม่ติ ด, ไ ม, ตดไม่ข้องก็เรียกว่ามีทั้งสมาธิที่มีทั้งสัมมาสังกัปปะอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันมีมันรู้อย่างนี้มันจะระวังของมันเองอะ่ะ เวลาเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรการจะพูดการกระทําของเราการดําเนินชีวิตของเรามันจะระวังเข้ามันเองก็คือมันระวังที่จิตนี่แหละมักมันก็รวมลงที่จิตเลยความเพียรชอบก็อยู่ที่จิตสติชอบก็อยู่ที่จิตสมาธิชอบก็อยู่ที่จิตหมดก็คือจิตเราเป็นสมาธิอ่ะมันถึงแน่วแน่ขึ้นมาในจิตของเราต้องมีสติสิมันถึงรู้ตัวได้รู้อารมณ์ต่างๆได้เห็นจิตเห็นใจเราได้ มันก็เลยเป็นอริยมรรคมีองค์แปดและอริยสัจสี่ล่ ะ, ะคือผู้เจ้ามาแสดงธรรมที่นี่พูดเรื่องทางที่ไม่ควรเดิน2อย่างคือการมาสุ่ขันติการนิโยคแล้วก็อันตรายธรมฐานุโยกคือไม่ให้ทรมานตนไม่ติดสุขจนเกินไปแล้วก็ไม่ไปตรงทรมานตนว่าจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มาเดินทางสายกลางทางสายกลางอะไรเกิดขึ้นเห็นว่ามันดับไปไม่มาปรุงแต่งขึ้นในจิต จิตเราเป็นกลางเรื่อยไปจิตเป็นกลางเรื่อยไปแค่รับรู้แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปเนี่ยนี่แหละคือเห็นอายสัตตสีดูแล้วก็ปล่อยไปก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไร้เกล็กสารมันไม่มีสาระอะไรความอยากความต้องการเหตุแห่งทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นความทุกข์กระดับไปจากจกิตมีเรียกว่าเป็นการเจราาิญอริยมรรคมีองค์แนี่คือยัศสีอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้ากําลังมันพอนี่มันจะตัดสินได้ ถ้ากำลังไม่พอมันตัดสินไม่ได้ถ้ากำลังพอไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยมันจะตัดสินก็คือไม่มีอะไรเลยนี่เห็นในยศศีจริงๆก็คือไม่มีอะไรเลยสลัดเลยทิ้งเลยปล่อยเลยวางเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยเป็นแค่แขกเป็นแค่อาคารตุกกะไม่ได้มีตัวตนจริงมันเป็นเราจริงไม่ได้เพราะมันแค่จอนเข้ามาเฉยๆ มันอาศัยจิตเราเกิดอาศัยจิตเราดับที่เมื่อก่อนเราไปมีเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายขึ้นในจิตเพราะเราหลงอารมณ์เรายึดอารมณ์เราไปหลงแขกว่าเป็นเราหนีล่ะไปหลงอุปกิเลสว่าเป็นเราขึ้นมาจริงจริงมันเกิดแล้วมันดับของมันเองเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราห้ามมันไม่ได้เมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องมีสติเห็นมันเห็นมันเห็นมันก็จะมีปัญญาคือเห็นมันเกิดเห็นมันดับ ก็จะได้สติได้ปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจถ้าเห็นอย่างนี้จิตมันจะคายออกปล่อยวางเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันจะปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยๆสลัดออกปล่อยวางออกคายออกจิตเราก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เลยเหมือนกับไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรมากมายาที่มันยุ่งยากเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ ถ้ารู้แค่วางจิตให้ถูกทำตามผู้เยาวสอนน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วประพัสสอนก็คือมีแสงสว่างผ่องใสผ่องใสอยู่แล้วมีแสงสว่างอยู่แล้วสงบเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่เอาอะไรจิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลตจรเข้ามา แล้วก็ค่อยระวังอย่างเดียวอ่ะอุปกเกตเป็นอาคารตุกาจรนเขาไม่ให้อารมณ์มาอะไรจรเข้ามามันจรเข้ามาเห็นมันเดี๋ยวมันก็ดับเพราะนั้นอะไรอะไรซับซ้อนขนาดไหนนะถ้าเราเชื่อตามผู้เจ้านี่บอกมันเลยอ่ะอย่าดับนะห้ามดับเด็ดขาดอย่าดับจะดูซิว่าจะดับไหมเพราะเราทำอย่างนี้จิตเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วแล้วอะไรจะมาทําให้จิตเราลุ่มร้อนได้ เรารุมร้อนก็พอไปยึดอาการตุกะไปยึดแขกว่าเป็นเราหรือไปหลงอารมณ์ว่าเป็นเราไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่เห็นว่าจิตเราเป็นจิตแต่เห็นว่าจิตเป็นจิตกระจิตผ่องใสอยู่แล้วจิตประภัสสรอยู่แล้วเราก็มาอยู่ความผ่องใสมาอยู่ความประภัสสรมาอยู่ความเป็นอิสระมาอยู่ความสะอาดมาอยู่ความบริสุทธิ์ก็มันเป็นเองอยู่แล้วไปไปทําอะไรมันอ่ะที่นี่ก็อยู่เฉย ดูเฉยๆที่นี่เฉยๆเฉยๆเฉยๆมันเป็นเองอยู่แล้วปล่อยให้มันเป็นเองปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันเลยใครที่กลัวว่าจิตจะหลุดไปไม่ต้องไปกลัวปล่อยเลยมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันพองใสอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันเยือกเย็นอยู่แล้วมันเป็นอิสระอยู่แล้วก็ปล่อยมันเลยปล่อยเลยดูเฉยๆดูเฉยๆเหมือนไม่ต้องไปทําอะไรมัน แล้วไม่กลัวอารมณ์ด้วยเพราะเป็นแค่อคัิตุกะคือส่วนใหญ่ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไปยึดอารมณ์เช่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่อคติทุกขะเป็นแค่อารมณ์แล้วก็ไม่อยู่ความผ่องใสสิเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันผ่องใสอยู่แล้วผู้เจ้าก็บอกแล้วนี่ผ่องใสตัวจิตเองมันผ่องใสอยู่แล้วมันผ่องใสอยู่แล้วที่ไม่สงบนั่นก็เพราะว่าอารมณ์อคัิตุกะแคกมันมีแคกไปหลงแขกไปยึดแขก ทิ้งแขกไล่แขกหนีไปไม่เอาไม่เอาผ่องใสอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วอิสระอยู่แล้วโอ้ ย, อย่างนี้สบายเลยเนี่ยเชื่อตามพระพุทธเจ้าทำตามพระเจ้าสอนง่ายง่ายเลยอเอาไปทำให้มันยากเองมันยากก็เพราะไปหลงแขกไง จิต ก, ก็ดิ้นรนเลยสิพอไปยุดแขกไปหลงแขกคิดว่าแขกเป็นเราคิดว่าแขกมาทำร้ายเรามันไม่ใช่จิตประพัดสอนอยู่แล้วพองใสอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วสงบ อ, อยู่แล้วเ ย, ย, ย, ยือกเย็นอยู่แล้วเป็นอิสระอยู่แล้วไม่เอาอะไรเข้ามาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยวมันจะมาเป็นแขกมันจะมาหลอกเราเราถูกหลอกมานานแล้วปล่อยมันไปทิ้งมันไป ไเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติเรามีร่างกายเนี่ยปฏิยาของเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นมันจะมากระทบเราเหมือนกันมันก็มีผลต่อร่างกายเราพอคลื่นเนี่ยมันกระทบหูในหูเนี่ยมันก็จะมีระบบประสาทที่มันจะแปลงคลื่นเนี่ยเป็นเสียงมันก็รับคลื่นเข้ามาทางหูแล้วก็เข้าสู่จิตของเราอ่ะบางทีมันก็มีผลต่อร่างกายด้วยมันกระเทือนเข้าไปหาร่างกายก็มี เสียงดัง ด, งดงเสียงเร็วๆวทีทีอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นเนาเป็นวิยายของจิตเป็นธรรมชาติของจิตเวลามันกระทบอารมณ์มันก็เป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของมันไม่เกี่ยวอย่าให้เป็นมีเราเข้าไปยุ่งเราดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยมันก็ง่ายสิเนี่ยว่าเรารู้หลักแล้วเนี่ยดูเฉยเฉเลยแล้ก็เข้ามาอยู่ข้างในนี่จิตเราก็ไม่สัดสายออกไปข้างนอกเป็นยังไงก็แล้วไปเดี๋ยวมันได้ยินเอง ไม่ต้องไปอยากได้ยินเนี่ยมันมีหูนี่มันต้องได้ยินสิไอตัวได้ยินก็คือตัวจิตนั่นแหละแล้วก็ระวังว่ามันมันมีอาคันตุกตาไหมมันมีแขกจอนเข้ามาไหมแค่นั้นมันจะเห็นธรรมชาติของกายโอ้ร่างกายนี่ง่ายมากมันอยู่ของมันเลยอะ่ะพราะพระเจ้าจึงสอนง่ายๆบางทีอะ่ะดูกอนริกสุทั้งหลายไม่นานหนอกายนี้ เมื่อปราศจากวิญญาณก็คือจิตปราศจากจิตเนี่ยเมื่อจิตมันออกไปแล้วจากนอนทับบนแผน่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนตูนหาประโยชน์อะไรไม่ได้คน้ะใครสามารถเอาจิตเนี่ยทำเรืองดูกายหรือมาสัมผัสรู้ที่กายมามองดูร่างกายได้แล้วเข้าใจพุทธพจน์เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าว่าไม่นานหนอกายนี้เราาจิตทับ สัมผัสรู้ที่กายไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณก็หมายว่าจิตจิตดูตัวที่มันไปดูเนี่ยเขาเรียกวิญญาณมันไปรู้อารมณ์นี่ยคือตัววิญญาณจิตนั่นแหละเขาเรียกวิญญาณมันเวลามไปรู้อารมณ์เนี่ยเขาเรียกวิญญาณวิญญาณเป่าผู้รู้เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เขาเรียกวิญญาณวิญญาณธาตุธาตุรู้มันรู้อารมณ์ได้ยังอื่นรู้อารมณ์ไม่ได้เราก็จะเห็นว่าเออเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนจริงอย่างผู้เจ้าตัดเอาไว้ ทีนี้ก็วางเฉยร่างกายก็เป็นระบบหนึ่งรูปประธรรมจิตใจก็นำมาทำตอนนี้มีเสียงเตือนแล้เราสัมรวมจิตใจเอาไว้เราจะบูชาพระเจ้าเรารู้แล้วว่าบูชาที่สูงที่สุดก็คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็คือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือให้จิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วก็ดูธรรมชาติของจิตนี้ว่าจริงไหมที่พระเจ้าสอนว่ามันป่องสายอยู่แล้ว พัดสอนอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเยือกเย็นอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นอิสระอยู่แล้วเราจะดูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลิกพราตามมติเขาจะปิดประมาณหกโมงนี่ก็ยังไม่ถึงห้าโมงสีนาทีหโมงนาทีเพราะนั้นเรามีเวลาอีกเอาอีกสักสีหนาที ผลสํารวจจิตใจดีๆเลยเรียว่าบูชาคุณตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าก็คือนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้าประทานคําสอนเอาไว้ให้เราเป็นคําสอนที่มีคุณค่าที่สุดเลยมีใครที่ไหนที่มาสอนให้เราสามารถเข้ามารักษาจิตเราได้เข้ามาปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้เข้ามาทําจิตของเราให้เป็นอิสระไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้มีแต่พระพุทธเจ้านี่แหละควาคุณของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่ ให้าสารมากการตอบแทนคุณก็ต้องตอบแทนคุณด้วยสิ่งที่มีคุณมากที่สุดก็คือการที่เราปฏิบัติจิตของเราเพราะนั้นเราสงบบูชาสลัดแขกอาการตรุ ก, ก่าวไปให้หมดสลัดอารมณ์ทั้งหลายออกไปให้หมดนี่บูชาอย่างแท้จริงตรงนี้หรือทําความรู้สึกไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรคือในจิตไม่ใช่ว่าทิ้งน่นทิ้งนี่ไม่ใช่ในจิตเราเนี่ยแค่ทําความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นเครื่องอาศัยให้เราสามารถมีชีวิตยอยู่ได้มีความสุขความสบายอยู่ได้เราหาได้มากเราก็ใช้ใจ่ายได้มากทำประโยชน์ได้มากอำนวยความสุขความสบายได้มากอันนี้ไม่เสียหายไม่อะไรไม่เป็นไรเพียงแต่จิตเราเนี่ยให้เข้าใจไม่ให้ยึดติดข้องแท่นั้นมีช่องทางหาได้หาไปไม่เป็นไรมันไม่ผิด แต่สำคัญตรงจิตเราเนี่ยถ้าไปยึดแล้วก็เนี่ยแหละตรงนี้อมันจะขอทุกทวเวรภัยให้กับเราจิตเรานึกอะไรขึ้นมามันก็เกิดดับอ่ะมันมีปฏิยาของมันอยู่เราเห็นมันเกิดเห็นมันดับไปมันเราไม่ได้ไปยึดไปติดไปคล้องอะไรเนี่ยเราจะเห็นปฏิยาของจิตอ้าวันนี้ก็พอแค่นี้นะ